ไม่ว่าจะเป็นสามเณรหรือว่าศิลจารินีพุ่งนี้นะก็จะต้องลาศิกขาเพินแต่ว่าบางคนอาจจะอยู่ต่อผ่านไปเร็วนะสามอาทิตย์ปุ๊บเดียวนะสามอาทิตย์แลนะ้จำที่หลวงพ่อบอกได้ไั้ยว่าสามสี่วันแรกนี้มันจะช้า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 หลายคนรู้สึกอาลัยนะที่จะสึกออกไปแม้แต่หลวงพ่อเองตอนที่จะบวชพระนี่ก่อนบวชนี่ก็อาลัยนะนี่เราจะต้องลาจากเพศคารวาดไปเป็นพระแล้วหรือนี่ต่อไปก็กินข้าวเย็นไม่ได้แล้วนะข้าวเย็นมื้อสุดท้ายนี่อร่อยมากเลยนะ ท่านบวชได้3เดือนครบกำหนดก็อะไรไม่อยากศึกก็คิดอยู่นานนะแล้วสุดท้ายก็ไม่ศึกนะเผลแป๊แบเดียว32ปีแล้ว <c oughs> ใ, ใจของคนเรานี่มันลองสังเกตดูนะมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคนที่ไม่อยากบวช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 อยู่ไปได้สัก 2-3 สาอาทิตย์จนมาถึงวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขนะอยากอยู่ต่อแล้วก็รู้สึกว่าวัดนี้ก็เหมือนกับบ้านสังเกตไม่ว่าความสุขนี่มันเกิดขึ้นได้ที่ใจเราแม้ว่ากายอาจจะลำบากนะต้องตื่นแต่เช้านะตี4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 ก็ผิดหวังเพราะว่ามันอยู่กลางทุ่งแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ถึงนะโทรทัพท์ก็ไม่ได้ดูนะเธอติดโทรศัพท์นะติดโทรทัพท์ด้วยอยากจะกลับบ้านนะแต่ว่าไหนไหนก็สมัครไปแล้ว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 วันแรกที่เรามานี่เราอยากจะกลับบ้านแต่ว่าวันนี้เราไม่อยากกลับแล้วอยากอยู่ต่อ ท, ท, ทั้งๆที่มันไม่ได้สะดวกสบายอะไรเลยนะโทรศัพท์ก็ไม่มีใช้เพราะไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ก็ไม่ได้ดูเธอก็ได้คิดเลนะ้วนาะเอ้ความสุขนี่มันไม่เกี่ยวกับความสะดวกสบายนะ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 แม้ว่าจะเป็นสา ม, มนเณรหรือแม้ว่าจะเป็นศิลจารณีแม้จะอายุยังน้อยไม่ถึงสิบขวบนี่ก็สามารถจะทำให้ใจสงบได้สงบเวลาเราสวดมนต์หรือสงบเวลาเราจเจริญสตินั่งสมาธินะความสุขมันอยู่มันมีอยู่แล้วนะที่ใจเรานะมันมีอยู่แล้วที่ใจเราอยู่ที่ว่าเราจะเจอหรือเปล่า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 บางทีก็เจอน้ำมันนะในทะเลทรายที่กว้างใหญ่เวิ้งว้างนี่มันก็มีของดีอยู่ข้างในอยู่ข้างใต้ใจเราก็เหมือนกันนะมันมีความสุขซ่อนอยู่บางทีเราไปไปหาเอาจากข้างนอกไปหาเอาไปหาก็หาไม่เจอมีมีผู้ชายคนหนึ่งนะ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 ไอ้ที่ที่เขาขายไปเนี่ยนะบอกว่ามีคนพบเหมืองเพชรเขาอยู่บนเหมืองเพชรต้องนานนะแต่เขาไม่รู้เขาเคี่ยวมันไม่มีค่าเขาก็เลยขายมันไปออกไปดันต้นออกไปหาสารพัดไกลแสนไกลแต่กลับไม่เฉลียวใจว่าแท้จริงแล้วนี่ตัวเองนี่อยู่บนเหมืองเพชร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 ก็ไปดิ้นลนหาเงินหาทองอยากได้รถอยากได้โทรศัพท์อยากถ้าเป็นเด็กก็อยากได้ของเล่นถ้าเป็นเพื่อเป็นผู้ใหญ่ก็อยากได้เงินทองบ้านรถยนต์เด็กบางคนก็อยากได้คอมพิวเตอร์ราคาแพงๆอยากได้โทรศัพท์นะไอโฟ น, นพอได้มาก็ดีใจ แต่ความดีใจก็อยู่ได้แค่ไม่กี่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนได้ i p โฟน e กมาพอาพอเพื่อนถือ i p โฟน e 7อรู้สึกอายแล้วไม่อยากได้แล้ว i p โฟน e 6นะตอนนี้คนที่มี i p โฟน e 4นี่ไม่อยากจะใช้แล้วอยากจะเคร่งทิ้งมากกว่าแต่ตอนที่ได้มัหมาอู้ดีใจนะเพราะว่าต้องไปแย่งไปแข่ง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 และความสุขที่ใจมันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราได้ทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่รักหรือว่ารู้จักทำใจให้สงบเนะเราก็มาบวชกันนะสาอาทิตย์แล้วเป็นช่วงเวลาที่มีค่าก่อนที่เราจะศึกออกไปนีนะ่อยากจะให้เราลองมาทบทวนสักหน่อยนะ ว่าสามเดือนอสามทีิที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อะไรบ้างถามตัวเองนะให้ลองถามสักสามข้อนะจะตอบวันนี้ตอบวันหน้าก็ได้ข้อแรกคือว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสามปฏิที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะ บางคนอาจะบอกว่าโอได้เรียนรู้เรื่องธรรมะนะบางคนก็บอกว่าได้เรียนรู้ว่าบุญคืออะไรนะถ้าบวญมาสามอาทิตย์ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนี่เรนะถือว่าปล่อยเวลา้า้ผ่านเลยไปไรประโยชน์นะเสียเวลา ฟ, ฟรีๆนะถ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเสียเวลา ฟ, ฟรีๆคนฉลาดเนี่ยนะ เวลาสาอาทิตย์นี้ต้องได้เรียนรู้หลายอย่างอย่าว่าแต่คนเลยนะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยผ่านไปสามอาทิตย์นี้มันก็โตผลไม้ผ่านไปสาอาทิตย์นี้มันก็หวานอร่อยสัตว์เนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่ผ่านไปเปล่าๆนะจากตัวอ่อนที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่มันก็สามารถจะ พึ่งพาตัวเองได้มันก็มีประสบการณ์มก็เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอันตรายอยู่ตรงไหนนะมีอันตรายมันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ข้อที่2เนี่ยนะเราได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นไหมนะรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลายคน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 มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างนะบวชมาทั้งทีนะสามมาที่นี้ต้องได้เห็นต้องได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าเรารู้จักตัวเองแล้วนีนะ่เราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ข้อที่3เนี่ยนะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะบางคนอาจจะเพราะว่าโอ้ อดทนอดทนมากขึ้นนะอยู่ง่ายมากขึ้นแต่ก่อนนี่เลือกกินแต่เดี๋ยวนี้กินง่ายขึ้นอันนี้ก็เยเป็นความเปลี่ยนแปลงนะบางคนช่วยตัวเองไม่เป็นเลยนะอยู่ที่บ้านพ่อแม่หรือคนใช้ทำให้หมดนะแต่ว่ามาตอนนี้นะเราช่วยตัวเองได้ล้างจานเป็นซัก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 พัฒนาตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจนะถ้าเราหันกลับมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆนะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วในใจนี้สำคัญมากนะเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยแต่ก่อนเราก็ชอบมองไปที่คนโ น, น, น้ค น, โนคนนี้ไปโทษคนโน้นคนนี้นะแต่เราไม่ค่อยสังเกตนะว่า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 ตอนนั้นยุประมาณสัห้าขวบปาวานี่เปนเ็นเด็กที่ฉลาดปกติเวลาแม่แม่ว่าปาวานก็จะเถียงนะและปาวานก็เถียงเก่งเพราะว่าปาวานนี่เป็นคนที่ฉลาดแต่ว่ามีวันหนึ่งแม่ว่าปาวานนะปาวานเงียบไม่เถียงเหมือนก่อนเสร็จแล้วปาวานก็เดินหนีไป ไปที่ห้องแม่ก็เดินตามไปเพราะแปลกใจว่าปะวานทำไมไม่เถียงแม่เหมือนก่อนไปถึงเห็นปะวานกำลังนั่งนิ่งก็เลยถามปวานว่ากาลังทาอะไรปาวานตอบว่ากาลังสงบสติอารมณ์ครับนปะปวานรู้ว่าตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยกลังทุกข์กำลังทุกข์กกเพราะโกรธทุกข์เพราะไม่พอใจแล้วก็ปาวานก็รู้ว่า เมื่อมีความโกรธมีความทุกข์ในใจก็ต้องแก้ที่ใจของตัวนะแต่ก่อนปาวานนี่ไม่รู้นะเวลาโกรธก็ไม่รู้ตัวนะก็ไปต่อว่าเถียงแมนะ่แต่ตอนหลังนี่ไม่รู้ใครสอนนะปาวานก็เวลาโกรธก็รู้ว่าใจกำลังโกรธแล้วก็รู้ว่ามันทุกข์เมื่อความโกรธทำให้ทุกข์ทำยังไง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 รับมือความโกรธนะเด็กอย่างเรานี่นะบางทีฉลาดกว่าผู้ใหญ่นะถ้าว่าเรารู้จักมาดูจิต ด, ดูใจของตัวบ้างนะแ้ถ้าเรารู้จักดูจิต ด, ดูใจรู้จักรักษาใจให้เป็นปกตินี่แม้แต่เวลามีความเจ็บความปวดนี่มันก็ช่วยได้นะ อย่างน้องไอนี่เด็ก3ามสีขวบแนั้นตัวเล็กกับเราเยอะเลยนะวิ่งวิ่งสนุกนะไปชนประตูกระจกนะไม่รู้ว่ามันมีกระจกไม่มีประตูอยู่นะวิ่งไปชนประตูกระจกร้องโอ๊ยนะหัวกระแทกอย่างแรงเลยแม่ตกใจก็เลยวิ่งมาจะมาอุ้มจะมาปลอบจะมากอดน้องไอน้องไอนี่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 เขาไปเลยรู้จักใครนะเขาก็รู้ว่าถ้าทําใจสงบแล้วนี่ความปวดมันก็จะลดลงแม่ไม่ต้องอุ้มก็ได้แม่ไม่ต้องปลอบน้องอายจัดการเองนะแล้วสังเกตน้องอายก็ไม่ได้โกรธกระจกนะไม่ได้โกรธประตูนะบางคนนีนวิ่งชนกระจกนี่โกรธนะโกรธกระจกโกรธประตูว่าทําให้ฉันปวดนะบางคนก็เตะกระจกเตะประตูนะแต่ว่าน้องอายนี่ไม่โกรธประตูนะ ไม่กลดกระจกนะรู้ว่าถ้าจะแก้ทุกนี่ต้องมาแก้ที่ใจก็คือทำใจสงบนะปาวานใช้สติสงบอารมณ์ส่วนน้องไอ้ใช้สมาธินะพวกเราบวชมาสามอาทิตย์นี้รู้จักสติรู้จักสมาธิแล้วใช่ไหมนะใช้ให้เป็นนะใชใ้ใช้ บ, บ่อยๆนี่นะใจมันจะเย็นลงนะ ใจใจเย็นถ้าเราปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนใจนี่แสดงว่าเราไม่รักตัวเองนะคนที่รักตัวเองเขาไม่ยอมให้ใจนี่มีความโกรธความเกลียดเพราะว่ามันจะเป็นการทําร้ายตัวเองมันก็เหมือนกับว่าเรานะเอามือเนี่ยไปไปให้ไฟล้นเนี่ยคนที่เอามือให้ไฟคนที่เอาไฟไปลนมือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องคนรักตัวเอง เพราะว่าทำายตัวเองแต่ปกติเราก็ไม่ทาอย่างนั้นอยู่แล้วนะเวลามือเราโดนไฟนี่เราก็รีบถอนมือเราออกเลยใช่ไหมมือเราโดนไฟมือเราโดนน้ำร้อนนี่เรารีบดึงมือเราออกเลยมือเราโดนของแหลม้นาเรารีบถอนมือออกเลยแต่เวลาใจเราโดนไฟโทรสระมันเผานี่ทำไมถึงปรกคอประงมไฟให้มันเผาลนใจอยู่เรื่อย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 มีเด็กคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนะอายุประมาณ13นี่เขาได้รับเชิญให้ไปออกรายการรายการพลเมืองเด็กพลเมืองเด็กนะนี่เป็นรายการของช่องทีวีไทยเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วรายการนี้ก็เอาเด็กมาสามคนมาออกรายการให้ทำกิจกรรมเลี้ยงมาบ้างทำความสะอาดโรงเรียนบ้าง แล้วเขาก็ทำคล้ายๆไปเรลิตี้โชว์ให้ครูให้พ่อแม่ดูว่าเด็กเขาแก้ปัญหาอย่างไรคราวนึงก็เอาเด็ก3คนเนี่ยมาช่วยกันขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันก็มีเวลาออกนะต้องรีบต้องรีบขนแต่ปรากฏว่าบ่ายวันนั้นนีน่สมจิตจงจอหอรู้จังไหมเกิดทันนะว่าสมจิตเนี่ยนักชกเหลีนทองโอลิมปิกนะขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดนะ เด็ก2คนเนี่ยอายุ1ิบ3านี่กำลังนะกลังขนองเลยนะก็ก็แอบไปดูนะแอบไปดูถ่ายทอดสดในร้านกาแฟข้างสถานีก็ปอยให้เพื่อนเป็นผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวนะเด็กคนนี้ก็ขนนะไม่บ่นแม่อะไรเลยตั้งใจขนของพิธีกรก็เลยไปถามว่าเนี่ย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 หนูขนของขึ้รถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนืออ่อย2อย่างนะถ้าไปเรานี่เราจะเหนื่อยกี่อย่างนะเรายากเหนื่อยกี่อย่างนะอะอย่างเดียวหรือ2อย่างอย่างเดียวนะถ้าเราอยากเหนื่อยอย่างเดียวเราก็ต้องไม่บ่นนะเพราะถ้าเราบ่นเนี่ยเรากําลังปล่อยให้ความโกรธนี่มันเผาใจเหนือนนหน่อยอย่างเดียวคือเหนื่อยกายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยใจไม่ทุกข์แต่ถ้าทําไปบ่นไปทําไปบ่นไปนีน่เรียกว่า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 เหยทั้งกายเหนือทั้งใจเพราะว่าไม่รู้จักมาดูใจตัวเองแต่วเด็กคนนี้13นี่เขาฉลาดเขารู้เลยนะว่าถ้าโกรธเมื่อไหร่ถ้าบนบนโน้นบนนี่เมื่อไหร่นี่ใจมันร้อนใจมันทุกข์แล้วเขาก็รู้ว่าถ้าจะทุกข์แล้วก็ทุกข์อย่างเดียวคือทุกข์กายนะใจไม่ทุกข์นะวนะั้นเรื่องการการที่เรามีสติมีสมาธิมันดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆนี่สําคัญนะ